นอนราสเบอร์รี่กาลละครั้งหนึ่งในเมืองโรเซนเบิร์กในบ้านเล็กๆใกล้ๆป่ามีครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน4ี่คนแอนนาและลูกทั้ง3าของเธอเอ็ดเวรดิร์ดโคลอีและโซอีพวกเขาจะใช้ราสเบอร์รี่ในการทำแยมและเยลลี่นี่คือหัวใจหลักของอาหารในเมืองนี้ราสเบอร์รี่มาเร็วเด็กๆอาหารเช้าเสร็จแล้วนะกำลังไปคําแม่นี่เอ็ดเวิร์ดุดนะ เป็นไงล่ะกินข้าวได้แล้วจากเด็กๆเอ็ดเวิร์ดดุดแกล้งน้องได้แล้วพวกเขาทั้งหมดกินอาหารเช้าของพวกเขาจนโคลอีได้ร้องขึ้นมาว้ายเป็นอะไรหรอหนอนน่ะอีมันมาได้ยังไงเนี่ยมาจากรัสเบอรี Negative> ่แน่ตัวใหญ่เชียวฆ่ามันเลยอย่านะให้ฉันทุบมันซะเอ็ดเวิร์ดหยุดนะอย่าทาแบบนั้น และคโคลอีเ อ, อ, อะเสียงดังนอนตัวเล็กๆ เ, เองแค่ปัดมันออกก็พอลูกคโคลอีนำใบรัสเบอร์รี่มาช้อนเจ้าหนอนขึ้นและพามันออกไปข้างนอกสวนพร้อมกับโซอีเพื่อช่วยเจ้าหนอนให้ปลอดภัยคโคลอีดูนั่นนกกระจอกนะถ้าเราปล่อยหนอนไว้ตรงนี้นกกระจอกจะต้องมากินเขาแน่นอนเลยงั้นพวกเราไปป่ากันเถอะเราน่าจะปล่อยเขาได้ที่นั่นนะเด็กหญิงทั้งสองเข้าไปในป่า และพบพุ่มราสเบอร์รี่เล็กๆพวกเธอจึงปล่อยหนอนน้อยลงที่นั่นตรงนี้นะ่ะเหมาะมากสำหรับเจ้าหนอนนะเขาเนี่ยโชคดีมากมีหลังคาสีแดงข้างบนเขาด้วยรอบๆตัวเขาเน่ยก็เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้ที่งดงามพวกเธอเดินทางกลับบ้านและในคืนนั้นพวกเขาก็ทานอาหารเย็นที่แสนอร่อยทั้งแซนด์วิชราสเบอร์รี่และครีมแสนอร่อยอย่างหนาใจพวกเธอกินและกินจนกระทั่งราสเบอร์รี่หมดลง มันเพลิดเพลินทุกครั้งที่ได้กัดกินมันเหมือนพวกเรากินรัสเบอร์รี่หมดแล้วนะตอนนี้พวกเราคงไม่เหลือมันสําหรับฤดูหนาวแล้วล่ะโซอี้กับหนูจะไปที่ป่าพรุ่งนี้เช้าค่ะและเก็บรัสเบอร์รี่เองค่ะคุณแม่ดีเลยเงินเลือกผลที่สดใหม่นะลูกรักค่ะแม่วันรุ่งขึ้นคโคลอี้และโซอี้เตรียมพร้อมเข้าป่าเพื่อเก็บเบอร์รี่ที่ฉ่าและสดใหม่คโคลอี้เลือกตะก้าสีน้ําเงินและของโซอี้สีเหลือง ไปดีมาดีนะลูกรักอย่าลืมกลับบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินลูกรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ปลอดภัยในป่าหลังจากพระอาทิตย์ตกดินทักทายหนอนราสเบอร์รี่ให้ฉันด้วยนะบอกเขาว่าถ้าเจอกันครั้งหน้าฉันกินไม่เหลือแน่ฮ่เ <laughs> <laughs> ช่นนั้นโซอีและโซอีจึงเดินทางเข้าไปในป่ากระโดดผ่านเศษไม้ที่ร่วงหล่นและผ่านพุ่มไม้ต่างๆที่เต็มไปด้วยผลไม้ที่หวานฉำ่ำมองไปทั่วเพื่อหาพุ่มราสเบอร์รี่ ทั้งสองเดินไปเรื่อยๆจนถึงส่วนหนึ่งของป่าที่เต็มไปด้วยเบอร์รี่เอลเดอร์เบอร์รี่มิวเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แต่ไม่มีราสเบอร์รี่เลยพวกเธอจึงเดินเข้าไปในป่าเรื่อยๆเพื่อตามหาพุ่มราสเบอร์รี่และเดินลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งพวกเธอถึงสถานที่ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยราสเบอร์รี่ทุกหนทุกแห่งมากเกินกว่าที่ใครจะเคยพบไม่อยากจะเชื่อเลย ผลเบอร์รี่สีแดงสดนั่นเต็มไปหมดเลยล่ะพุ่มไม้ทั้งหมดเต็มไปด้วยราสเบอร์รี่สีแดงสดที่เด็กน้อยทั้งสองไม่เคยพบเห็นมาก่อนทั้งสองกินราสเบอร์รี่ที่แดงฉ่ำด้วยกันและเก็บใส่ตะกร้าและไม่นานตะกร้าของพวกเธอก็เต็มจนล้นปะเอาตะกร้านี้กลับบ้านกันไม่รอเดี๋ยวก่อนเก็บอีกสักหน่อยแล้วค่อยกลับบ้านกันนะเช่นนั้น พวกเธอจึงรีบเก็บราสเบอร์รี่ใส่กระเป๋าผ้ากันเปื้อนจนเต็มและเตรียมพร้อมจะกลับบ้านเด็กสาวทั้งสองถือตะกร้าโดยมือข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งจับกระเป๋าผ้ากันเปื้อนแล้วเดินกลับบ้านโคลอี้และโซอี้เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าพวกเธอหลงทางพวกเธอไม่เคยเข้ามาในป่าลึกมาก่อนพวกเธอไม่พบถนนหรือว่าเส้นทางใดๆที่จะพากลับบ้านได้เลยนั่นทําให้เรื่องมันแย่ลงมากพระอาทิตย์เริ่มตกดิน เงาของต้นไม้เริ่มสูงขึ้นและพวกนกก็บินกลับรังก่อนที่ตะวันจะลับไปออฉันเริ่มกังวลแล้วนะฉันไม่รู้เลยว่าพวกเราอยู่ที่ไหนนะ่าไม่ต้องห่วงโซอี้ฉันมั่นใจว่าเรานะ่ะใกล้ถึงทางออกแล้วเดี๋ยวเราก็เห็นควันจากปล่องไฟที่บ้านเองในไม่ช้าขณะที่พวกเธอเดินผ่านป่าก็เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆจนพวกเธอเริ่มกลัวมากขึ้นพวกเธอเดินแล้วเดินเล่า จนกระทั่งได้ยินเสียงของแฟรี่ตัวเล็กๆบินอยู่ตรงหน้าพวกเธอเด็กสาวตกใจมากอแฟรี่หวัดดีนางฟ้าแสดงท่าทางให้พวกเธอเดินตามนางฟ้าบินนำเป็นเล็กน้อยและมองกลับมาที่พวกเธอเพื่อรอให้พวกเธอตามไปทันใด น, นั้นพวกเธอได้ยินเสียงคำรามมาจากด้านหลังเด็กสาวรีบวิ่งตามนางฟ้าไปนางฟ้าพาเด็กสาวมายังพื้นที่ราบขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพุ่มไม้ จากนั้นก็หายตัวไปในอากาศเราอยู่ที่ไหนเหรอมันมืดมากเลยพี่มองอะไรไม่เห็นเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนพี่ว่าพี่รู้จักที่นี่นะเรากลับมาที่ป่าลัสเบอรี่นี่โซอี้และโคลี้ที่เหนื่อยจากการเดินทั้งวันเริ่มร้องไห้และสุดลงที่ผืนหญ้าหนักลัวและหิว อยากกินแซนด์วิชจังเลยตอนนี้นะขณะที่เธอพูดเธอรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในมือเออวิเศษไปเลยฉันฉันมีแซนด์วิชอยู่ในมือหนูก็มีนะมีนมถ้วยเล็กด้วยสักแก้วก็คงจะดีนะ่ะไม่ช้าเมื่อเธอพูดจบเธอรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างในมือเล็กๆของเธอโซอี้โซอี้ ใช้มีแ ก, ก้วนมอยู่ในมือด้วยแหละวิเศษมากเลยหนูก็มีเหมือนกันค่ะพี่หนูว่าต้องเป็นพลังของแฟรี่ที่พาเรามาที่นี่อย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะเช่นนั้นเด็กสาวทั้งสองจึงดื่มนมและกินแซนด์วิชจนอิ่มท้องฉันหวังว่าเราจะมีที่พักดีๆนะหลังจากพูดจบพวกเธอพบว่าข้างๆมีที่นอนที่นุ่มไว้สาหรับพวกเธอนอนเช่นนั้น คโคลอีและโซอีจึงเข้านอนและหลับตลอดทั้งคืนเช้าวันต่อมาเมื่อโซอี้ตื่นขึ้นพระอาทิตย์ส่องสว่างสดใสพวกเขาถูกล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวที่งดงามในฤดูร้อนพวกนกบินมาส่งเสียงจิบจิบและร้องเพลงด้วยทรรนองที่งดงามอ๋อช่างงดงามเหลือเกินได้ น, นอนหลับในป่าที่ล้อมรอบไปด้วยพุ่มรัสเบอรลี่ที่งดงามแบบนี้นะคโคลอี้ตื่นได้แล้วพวกเขามองกันด้วยความประหลาดใจ ที่ได้นอนในป่าพวกเขามองไปที่เตียงที่พวกเขาใช้หลับเพราะว่าหมอนทำจากฟางที่ดีของต้นฝ้ายและที่นอนคลุมไปด้วยใบไม้และต้นหมอที่อ่อนนุ่มนี่ไม่ใช่ฝันใช่ไหมอีกฉันที่เค อ, อีเพราะฉันคิดว่าฉันยังคงอยู่ในฝันน่ะเอ้ยฉันไม่ได้หมายถึงให้อีกจริงๆสักหน่อยนะทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าไม่ใช่ฝันน่ะอยากรู้จังว่าแฟรี่ใจดีตนนั้นอ ย, อยู่ที่ไหนเขาใจดีกับเรามากเลยทันใดนั้น พวกเธอก็พบประกายระยิบระยับในอากาศต่อหน้าพวกเธอจากนั้นนางฟ้าก็ลอยขึ้นมาต่อหน้าพวกเธอเธอยิ้มและโบกมือให้อ๋อวัดดีค่ะคุณช่างใจดีซะเหลือเกินตอนนั้นเองได้มีชายแก่เดินออกมาจากหลังพุ่มไม้รัสเบอร์รี่เขาเดินกระเลกออกมาในชุดสีขาวที่สง่างามและมีมงกุฎสีแดงเขาถือไม้เท้าที่มีคริสตัลสีแดง สวมมงกุฎราสเบอร์รี่ที่เปล่งประกายราวกับรูบี้ในแสงไฟโอ้เจ้าได้พบกับเซราฟิน่าแล้วสินนะข้าขอแนะนําตัวข้าคือราชารูบัสกษัตริย์แห่งราสเบอร์รี่ข้าปกครองอาณาจักรราสเบอร์รี่แห่งนี้และอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานา น, านกว่าพันปีแล้วข้าส่งเซราฟิน่าออกไปช่วยพวกเจ้าจากสัตว์ร้ายในป่าตอนกลางคืน ข้าไม่อยากให้พวกเจ้ากลัวใบหน้าของข้าในยามมืดของป่าเด็กสาวทั้งสองทึ่งในความคิดของราชาราสเบอร์รี่พวกเธอยิ้มกว้างออกมาขณะที่กำลังฟังราชาข้าถูกสาปโดยจิตวิญญาณแห่งธาตุอารามอสคนที่ปกครองดินน้ำลมและไฟทุกๆหนึ่งร้อยปีข้าจะกลายเป็นนอนราสเบอร์รี่ที่เปล่าบาง นั่นเป็นบทเรียนสำหรับข้าที่ได้รับของขวัญที่มีค่ามาเป็นความอมัมตักเช่นนั้นเขาจึงเล่าให้สาวๆฟังเกี่ยวกับเรื่องนั้นที่เขากลายเป็นหนอนราสเบอร์รี่และถูกพาตัวไปกับราสเบอร์รี่อยู่บนจานของโคลอี้ข้าไม่ถูกกินหรือว่าโดนเหยียบเพราะพวกเจ้าทั้งสองช่วยข้าไว ในตอนที่พวกเจ้าช้อนข้าขึ้นบนใบไมข้ขาของข้าเลยเป๋ทำให้เดินกลับเพลงนิดหน่อยข้านอนอยู่ในพุ่มไม้นั่นและรอจนกว่าตะวันตกนินจากนั้นข้าก็กลายร่างเป็นปกติและมองหาพวกเจ้าเพื่อตอบแทนที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้และให้รางวัลแดกความเมตตาของพวกเจ้าจากนั้นข้าพบว่าพวกเจ้าทั้งสองอยู่ในอนาณาจักรของข้า และข้าต้องการตอบแทนพวกเจ้าโดยไม่ต้องการให้ตกใจเขาบอกกับพวกเธอจะส่งเซราฟิน่าไปกับพวกเธอให้นำทางและพาออกจากป่ากลับบ้านอย่างปลอดภัยขอบคุณมากนะคะที่ช่วยพวกเราให้ปลอดภัยเป็นเกียรติอย่างยิ่งเด็กน้อยหวังว่าจะได้พบกับของขวัญเมื่อพวกเจ้าถึงบ้านนะแล้วฝากบอกเอ็ดเวิร์ ด, ด้วยว่าข้าจะกินเขาถ้าเจอเขาครั้งหน้า ดิบรดอย่าทำแบบนั้นเลยให้อภัยเขาด้วยนะคะไม่ต้องห่วงข้าให้อภัยเขาการแก้แค้นเป็นสิ่งไม่ดีข้าเคยหยอกเล่นเด็กสาวทั้งสองหายใจอย่างโล่งอกและกอดราชารูบัสละก่อนนะเด็กสาวที่มีหัวใจเมตตาของข้าอยู่ยังเมตตาและเอื้อเฟื้อต่อไป เด็กสาวทั้งสองหยิบกระฆาขึ้นและเดินตามเซราฟิน่าผ่านป่าเพื่อกลับบ้านไปไม่นานเมื่อเด็กสาวมาถึงบ้านเซราฟิน่าก็บอกลาและหายตัวไปพวกเขาดีใจและมีความสุขเมื่อพบว่าเด็กสาวทั้งสองกลับมาถึงบ้านโอ้แม่ดีใจมากที่พวกหนูไม่เป็นอะไรกันนะหายไปไหนมาทั้งคืนน่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมในป่ากลางคืนน่ะไม่ปลอดภัยเด็กสาวทั้งสองอธิบายทุกอย่างให้แม่และเอ็ดเวิร์ดฟังและบอกเกี่ยวกับราชารูบัส และคำสาบของเขาในอนาณาจักรแค่ลูกสองคนกลับมาบ้านแม่ก็ดีใจมากแล้วจ้ะอ้อมีชายชรามาทิ้นนี่แล้วทิ้งนี่ไว้ให้กับพวกเธอเมื่อพวกเขามองไปในตระก้าพวกเขาพบว่ามีกำไรที่สวยงามประดับด้วยหินสีแดงที่เงางามในรูปราสเบอร์รี่ว้าวนี่มันสวยจังเลยเอ็ดเวิร์ดมีบางอย่างให้นายเหมือนกันนะมันเป็นเข็มกลัดรูปหนอนราสเบอร์รี่สีเงิน เอ็ดเวิร์ดละอายใจอย่างมากและเขาเข้าใจทันทีว่าหมายถึงอะไรเช่นนั้นเขาจึงไม่เคยทำร้ายคนอื่นและกลายเป็นคนใจดีตลอดมาวิเศษจริงๆเลยเอาล่ะแม่จะไปเตรียมอาหารเย็นก่อนนะเด็กๆไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดกินข้าวอย่างได้แล้วนะเมื่อแม่ของพวกเขาเข้ามาในครัวเธอประหลาดใจมากที่พบจั ก, ก้าที่เต็มไปด้วยราสเบอร์รี่10อันบนโต๊ะเธอประหลาดใจมากที่ไม่รู้ว่ามาได้ยังไง แต่ก็เดาว่าคงเป็นของขวัญจากราชารัสเบอร์รี่เช่นนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงช่วยกันทำแยมจากรัสเบอร์รี่ของพวกเขาเป็นจำนวนมากพวกเขาเริ่มขายขวดแยมนับโหลนี่เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าหากคุณช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่สนว่าเขาจะเป็นใครคุณจะได้รับความช่วยเหลือตอบแทนกลับมาแน่นอน